จะมาคณะสงฆ์ขออัญมณีธนาสาธุการกัทั้งหลายคืนีจิตมุ่งหมายอันดีช่วยไทยไทยช่วยไทยชาติปลอดภัยไม่มีเสนียดจังไรต่อไปตั้งแต่บัตนี้ไทยช่วยไทยชาติช่วยชาติศาสนาช่วยศาสนาพระมหากษัตริย์ผสมกรมาสโดนทั้งหลายโลดนัางใจ ในพระมหาบุรคุณของพระองค์นั้นไอจ้จงได้ตอนนี้ไปโปรดได้รับพรไทยทั้งหลายทุกท่านวันนี้เป็นวันธรรมโซนระจาตุทัสโซแลนที่สี่ข้ามเหักเป็นวันพุทธบริษัททั้งหลายจะทราบความหมายของชีวิตอย่างยิ่งทุกสิ่งได้มาพร้อมกันานะธรรมภาคฉาลาถุรรมภาวนานุวันนี เพื่ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้มีสติได้ข้อคิดชีวิตท่านจะแจ่มใสที่จะชีวิตท่านจะมีธรรมซ้ำมาปฏิบททัติในหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันนี้เป็นวันวันพระแรมทิ่สิบขวันสิ้นเดือนเดือนขาดขอให้พี่น้องเราตัดขาดด้วยความชั่ว ลงให้ตกทันจะพบความดีมีปัญญาชีวิตท่านจะแจ่มใสแนนนาคตต่อไปโอกาสข้างหน้าแน่นอนขเขาเจริญพอรอย่างนั้นวันนี้ท่านทั้งหลายโปรดพิจารณาทำสัมมาปฏิบัติในหน้าที่ให้ตัวดีชาติความดีให้มีธรรมขอให้ท่านปลูกความรักความศรัทธาปลดความทุกข์ออกในวันจากโสมช่นเดือน ปลดความทุกข์ออกไปขจัดปัดเป่าความทุกข์ออกไปหลับตัวให้เข้าในชีวิตจิตใจให้แจ่มใสในวันขึ้นปีใหม่เปลี่ยนภาวะของตนให้สู่ภาวะดีจากวันนี้ไปสู่วันหน้าให้ถูกได้ขอสรุปให้ฟังว่าปลูกปลดปรับเปลี่ยนเลื่อนฐานะให้จิตใจดีมีปัญญา แต่ขายปัญหาให้หมดทุกถึงบรมประสบคือพระนิพพานโดยทั่วกันณนะบัตรนี้วันนี้เป็นมิ่งขวัญมงคลทุงแท่นอีกวันหนึ่งในการตองมาฟังธรรมขอแวะหาพระในวันพระพระชงศ์องค์เจ้าท่านบวชมานษาแล้วแต่ท่านจะพบพระหรือไม่เราไป่ทราบหงองค์ท่านไม่พบพระบางองค์ท่านก็พบพระเจิตใจท่านประเสริฐล้ำเลิศทุกประการ มาคนมารักษาโอบโศกศีมันไม่สดไ ม, ไม่ไม่ชื่นมันมีใจแห้งแลยจิตใจแห้งแลยจิตใจไม่สดชื่นชีวิตนี้หรือจะทนกลืนคืนก็อมขมก็ปรืนชีวิตแม่มันขมขืนตลอดกาลประวัติศาสตร์ปีนี้ตกวิกฤตการตกขมขืนไม่มีความชื่นใจจัะจาการได้ขอฝากท่านหลายไว้ในโอกาสนี้เถแต่จะต้องการคืนจะต้องอมหม ผมท่านจะต้องกลืนชีวิตมาชั่งชื่นชีวิตไม่เบิกบานไม่หันสายไม่มีหน้าเมีตาในอนาคตชีวิตจะปลดเลื่อนสิ่งทุกข์ก็หามีได้เมตแต่ชาแต่ปัญหาชาแต่ความทุกข์หาความสนุกในสังคมเที่ยวทัวบุญแบบทั่วไปวันนี้วันอาทิตย์มาทัวบุญมาหลายลายทัวบุญไปทั่วบุญแต่ไม่มีบุญคุณในชีวิตชีวิตท่านจะอาบเช้าชีวิตท่านอับปางเชือกกลางทะเล โหรชาโอ ร, าาโอรเฮเฮไม่ไกลไกลไม่ถึงถึงไม่ฟังฟ้าขอฝากท่านให้พ้นด้วยเรื่องจริงเป็นอย่างท่านจะเอาอยัางไงกันเรามาฟังท ร, ร ม, มาให้ขอคิดมาวัดแต่มาวัดเพื่ออะไรมาเทียเ่ยวมาเสฉวนโนหาเช่นนั้นหรือประการใดท่านจะปราบทุกข์ไม่ได้ท่านจะไม่มีมีเพียนหมากรุกหหมากรุหกสิีตาเดินอยู่ตาเดียว มาทิ้งจะจนอับเฉาอับจนเศรษฐกิจตกผู้บริหารงานดีมากขอดับหนึ่งขอฝากทนายพลบริหารดีสดุดขอชมเชยบริหารคนรวยให้จนไปได้สมัยโบราณจะเท้าความหลังเขาบริหารพ่อแม่จนพ่อกระจนแม่กระจนไม่คนแค้นสนจะคิดเขาสามารถแผงนิดกลายเพศเป็นเศรษฐีได้ บริหารงานให้ลูกเป็นเศรษฐีให้ลูกมีวิชาให้ลูกไปนในผลพ่อกรจนแม่กระจนลูกไปนในผลได้เดี๋ยวจะเป็นแต่ผลเอกเนะเดียจะเป็นในผลเอกนะบริหารให้มันอย่างนี้ใช่ไหมเสียใจกระท่านได้เสียใจเยอะมาพุโคตรจิตตาเดินอยู่ตาเดียวตาจนอับเฉาอับจนตลอดรายการเสียใจที่ทุกข์มาจะช่วยตัวเองกระการได้โปรได้หันมาหาชีวิตเก่า มาเล่ากันมาโรดฟังข่าวมูลสมัยบริบูรณ์ด้วยจองผลปอชุงขลามป้าพิบูลชุงคลามทำสวนครัวไม่ครัวอดผักความยากจะไม่เกิดอยู่ตรงนี้แต่ไม่มีใครในึก้ึงจองผลปอพิบูลชุงคลามแต่ประการใดจะได้ย้ายเมืองหลวงไปสู่พุทธเพชรบูลที่เอาคนไปตายสิียงบุรีไปตายเป็นจนวนมากไปขูดถนนเราได้ได้ เลี้ยงถามว่าแทนาจอมพลแต่ไมคนไปตายสิงห์บุรีเป็นไม้กันเยอะเป็นไม่เยอะหัวตายหมดไปขุดถนนไทยประดานเพชรบูรณ์ตายจอมพนปอพูดมาคำจดจำมาจนบัดคุณหนวจะย้ายเมืองหลวงไปเพชรบูรณ์ถ้ามาย้ายไปในานาครบรถจะติดรถจะแน่นต้องย้ายเมืองหลวงออกจากเมืองท่า อยู่เพชรบูรณ์มีภูเขาล้อมรอบเมืองกระแพงเพชรเมืองตากเป็นหน้าดา่านตะคอนสิยากับลบบุรีจากเจริญถึงสระบุรีตลอดกระสร้างกลุ่มสิโยธยาและจตหงจดและกระจจามาจมแบบัดเราต้องถอยหลังไปหาหลวงพี่บูรณ์ทำสวนทัวไม่กลัวอดพับคันลัวก็กินได้เดี๋ยวนี้กินไม่ได้คันรั้วโศกปลอก คันรั้วคือผักตำลึงอยู่ที่คันลัว้วกินได้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้กินไม่ลงกินไม่ได้แม่บา้าหรือแม่สีเหลือนเอยลูกสาวก็ทำครัวไม่เป็นไม่รู้จักคันลัว้วไม่รู้ขอบขันพระสถิตมาขอฝากท่านคิดในวันนี้อัดทีวีเวลาจะออกขึ้นไปหมายอัจไปแล้วตั้งแต่เช้าแล้วคนมากันแน่นมาทัวบุญมาถูมาถา มาใสจิตใจให้แจงใส่กลับไปมัวหมองกลับธนาคอบทจรหาเหตุผลที่ไม่ดีในชีวิตหน้าชีวิตนี้ชีวิตจะเป็นหมันชาพยากรท่านจะไม่มีประโยชน์ในชวิตทา่านเศรษฐกิจตกขอขอเจริญพรว่าเศรษฐกิจมันดูดตกแต่เราทำให้ตกเองคนเราดีเหมือนกันทุกคนแต่ดีอย่างไรที่นั่งอยู่ทั้งหญิงทั้งชายทั้งสาวแส่ไก่มามดีอย่างไง มีไหมสมุดนามแทนชื่อว่าข้าพเจ้าเป็นพระเอกนัางเอกมีไหมสมุดนามแทนชื่อข้าไปตัวคงชั่วข้าเป็นตัวโกงนีไหมมีไห ม, ม, มไม่มีใครรับแต่ดูตอนเล่นเวลาเปิดฉากออกม า, มาแค่เปิดฉากก็รู้แล้วตัวโกงโกงฉีนออกมาแล้วมันมองดูฟ้าไม่ดูหน้าคมคนพระเอกนางเอกเขาจะมองตั้งแต่ดินขึ้นไป นอนนอนคว่ำอยู่สูงต่อนอนควม่มอยู่ตามต้นงนอนหงายคนไม่รู้ไม่เข้าใจไม่มองหน้าใครเลยพวกตัวตุน่นมันจะครอบเข้าลงรูมันไม่มองหน้าใครคือตัวตุน่นคือไอ้โง่เง่าตาตุน่นนั่นเองขอฝากไว้วันนี้เป็นวันฟังธรรมตามเหตุผลทุท่านที่มาณธรรมภาคากะชัลาวันพระเรามานาทพบพระ แต่ขอให้พระทั้งหลายโปรดทราบวันพระอย่าหนีไปเชี่ยววันพระอย่าไปตลาดวันพระต้องมาพบโยมหน่อยได้ดไหมวันพระไม่มีมาพบโยมเลยโยมมาก็ผิดหวังโ ย, โยมมาผิดหวังไม่เจอพระโน่นไปตลาดบ้างไปโน่นไปนี่บ้างใช่ไาหรือประกานได้อย่าไปนัดโยมมาทาไมานัดมาทาไมท่านจะพ้นเขกันเหตุผลที่นาฟังไม่ใช่พูดเล่น นักโยมมาแล้วพาไปเที่ยวใชไหมไปมนองนะแลด่าเยอะไม่ได้เลยนะต้องสู้โยมจะไปพึ่งใครเล่าไม่เจอครับโยมจะพึ่งใครใช่อันนี้จงเอยไม่เที่ยงทุกครั้งน่าตาจะไปพึ่งใครเราเกิดมาในชาละคโลกไม่ต้องไปพึ่งใครแล้วท่านทั้งหลายพึ่งตัวเองเถิดไม่มีอะไรที่ดีกว่าตัวเองบางคนพูดไม่รู้เรื่องเพราะเปลี่ยนเวลาคนที่อยู่มา ไม่ได้เลี่ยงเพราะเปลี่ยนเวลาพูดไม่รู้เรื่องเพราะไม่เข้าใจเป็นเหตุผลที่นาที่ได้เวลาของท่านจะเกิดมาในสังคโลกนี้อย่างแน่นอนขอฝากท่านไว้ไปคิดตีความหมายเข้าใจบางคนพูดมาวันก็ไม่รู้เรื่องไม่ใช่รู้เรื่องในทุกคนท่านทานั้งหลายสถานบันต่างๆทั้งโรงเรียนอนุบาลทั้งโรงเรียนมัธยมวิทยาลายัยและมหาวิทยาลัยสถาบานบริษัทสถาบันธนาคาร มีทั้งดีทั้งถูกไม่ใช่ดีทุกคนแต่เราก็ไม่สามารถจะทําให้สถาบันเหล่านั้นเขาเหลานั้นดีได้ทุกคนเป็นที่น้าเสียดายเวลาของคนประเภทนี้ดีไม่ได้แน่อขอฝากท่านสาธุชนด้วยเถดตอนทั้งหลายมาเนี่ยประสงค์ความดีทั้งนั้นแต่ดีแค่ไหนดูธาตุดูผ้ า, าปฏิบัติคุณท่านถ้าจะเล่นเรื่องอะไรจะเล่นเรื่องสังทองหรือลัคนาวงค์องค์ปูทอง น, นี้จะเล่นเรื่องลามะเกียน เรื่อง อ, อีเหนาบูเรปานหรือเลี้ยงฆ่าภัยมณีเลือกเล่นเอาตามชอบที่มานี่หน้าตาดีๆฮะดูตอนเล่นดูตอนเล่นจะเล่นตายเล่นมาเล่นมาเล่นตายเล่นมาเล่นปาลายจะลาหลงจงับตัวโกงได้ทุกทีคนไหนเกลียตัวโกงคนนั้นก็หล ง, ล, งลิเกนี่น่าคิดแต่ท่านไม่ได้คิดกันออกมาจากโรงเขาต้องวายครูลิเกเดี๋ยวนี่ลิเกรุ่นใหม่ไม่ไวมายค ร, าารูไม่รู้จกักครูบาอาจารย์ไม่รู้จกักเด็กรู้จักครูใหญ่ท่านนิพนธ์ บอกก่อ น, นี้เขาจะไหวเขาจะเล่นเขาต้องไหวครูอุรักรูจามคูเนะครูนาครูตั้มครูศอนเดี๋ยวนี้ออกมาสายตูดไปสายตูดมาริเกไม่เคยออกแขกไม่บอกเรื่องอะไรเลย เ, ลเร่งเลยมันถึงเลวลงถึงขนาดนี้กเศรษฐกิจมันเริ่ตกชีวิตถึงรามกดูในสังคมทุกวันนี้โปรดดูทีวทีต่อไปในวันที่6ขอฝากท่านทั้งหลายไว้ในโอกาสนี้ด้วยจเจริญพรทั่วประเทศทายเป็นวง ย, ย้ายต่อไปชาชนประสงนิทรรศทั้งหลายยังสําคัญมาก แต่ท่านทั้งหลายที่น่าคิดในวันนี้ควรจะช่วยกันคิดช่วยกันอ่านช่วยกันเขียนช่วยกันเรียนวิชาช่วยกันแก้ปัญหาให้เกิดประโยชน์ต่อไปเถิดฉันจะประเสริฐที่สุดท่านจะเอาอะไรมาเป็นหลักท่านจะเอาอะไรมาเป็นหลักมาวัดเพื่อได้อะไรมาวัดแก้อะไรบ้างมาด้เลยกลับไปเชี ย, ชยร์ใจกับท่านมาแล้วไม่ไม่ด้ลาละนี่ไปทัวร์บุญก็ต้องหลายวัดทัวร์วัดโน้นบ้างทัวร์วัดนี้บ้างนั่มาท่ามีจะให้กับช่วยเชิญทานอาหา เชิญทานข้าวสารของในหลวง5ท่านวามหาล่าพระจะทานมา20กระสอบถามท่านคำนักปัชวังดูํำนักประชวังมานัา่งกรรมฐ า, านอยู่แปลงตัวมานัา่งกรรมฐ า, านผู้ช่วยเลขาธิการแลว้วก็ญาติของท่านในผลเอกในพลเอกผลเอกสมุองค์ณะ ทำลงศิษยขะมนทรเป็นสมุหะราชวงค์ขลักญาพี่นองมาหน้ากรามาถานุกแถวแต่พี่เราไม่รู้ปลอมแปลงมาพูดจาการให้พูดเพราะๆหนอยอย่าพูดเหลวแหลกแตกลานรู้ไว้คนแต่เนี่ยถ้า น, นาุ่มขาคือเป็นเทวดาพูดจาให้เพราะเห็นวันจะแต่งตัวสวย แต่มันไม่ใช่เทวดาแต่ไ ม, ไม่ไม่ใช่มนุษย์ชาติศักยภาพของบุคคลดูคนไม่เป็นต้องพูดจาให้เคราะไว้ยาดีเมจนจะเป็นใครก็ตามถือว่าเป็นมนุษยชาติไม่ไล้มนุษยชาติศักยภาพแห่งบุคคลเขาก็เป็นคนด้วยกันแต่ว่าเด็กไปเด็กอย่ามาโยงไปเด็กมันก็มีหุ่ใจมันก็โกรธเหมือนกันไปดูไปด่ามัมนหมาจํามไปต้องเด็กท่านในพร แคร่สุนัขขาลองไปไล่มันที่ไปคว้าคนอื่ไปคว้ามาทีลุงเคยเช้าท่านเดินไปสิมันจะต้องเห่าท่านคุณเดียนักภาษากับเด็กน่าแค่สุนัขมันก็ไม่ชอบไม่ต้องแค่สุนัขแค่ผีดีสารได้จะทูดแล้วเอาไปซ้ายหวานทีไปไล่ล่าค่างร้านเบนอูเรือนร้านวรทัธาตุไปไล่ผีแล้วไปเข้าสิงลูกษาวเลยร้านชัยสิทธิ์เห็นไหมค่างร้านอูเรือนลูกเรี เนีขอฝากเขาด้วยเลยผีไม่ออกผีกโกรธแต่ขอรัชทานโทษว่าผีเนี่ยคือเจ้าของเวกนลายที่ลูกหลานเป็นในพลเป็นใหญ่เป็นโต ก, กันแกกระตายแคเป็นเปรตอยู่เนี่ยเลยก็ทางกูแท้เขาบอกว่าเนี่ยลูกคุณทาทางโทรศัพท์นถึงเวลาสามโมงจะต้องเป็นคุณแกเลยบอกเนี่ยผีสิง ท่องเหตุใดผีก็โกรธคุณที่เอาพระมาล่าเอาพระวัดเชิงท่ามาทําน้ำมนต์ล่เรารู้เลยต้องมาทอดปลาปาที่นี่หายไปเลยนี่ขอฝากไปด้วยผีมันยันเปรียดไปไล่พูดเพาะๆแผ่แม่ตาผีก็ละสุนัขมันมันดุเราเอาไอ้ลูกชิ้นไปไม่นกินมันก็ต้องทอดมันไม่หายตรงนี้นไล่ไปมันก็โกรธ มันจำอไรแค่เดี๋ยฉานขอเจริญพรขอประธานโทษเธอพี่น้องที่รักเขายังไม่ชอบมาลงไปตีมันทนีมันจะต้องเห่าเราคนเดียวเชนะตอนทั้งหลายเมตตาดีดีที่สุดแล้วไม่มีอะไรเมตตาคุณนางอัลลาหังเมตตาไม่ประโยชน์ต่อคุณประโยชน์ทั้งสุดหรือความเมตตาประณีอารีเอือ้อเฟื้อขาดู้เคยดูกันม่นจำต้องกล่าวว่าผีดีสะอาดเราจะทูด แผ่แม่ตาผีก็รักเมตานัศพโล ก, กับสมิงมาสัมพายเยปิมานางขับลดไปผีดีสาก็จะทูดอนุโมทนาโปรดเอาไปใช้หน่อยในผนใช้ให้ได้รับลองท่านจะไปไหนปลอดภยัยไม่มีสัียดจังไรผีอนุโมทนาใช่ได้ไม่มีตัวตนประการายนี่คือกรรมฐานวันนี้ก็จะชี้แจงแสดงเหตุผลเรื่องขึ้นปหม จือาร์ทีวีนี่จะไปออกผลแกในวันที่สานีเด็ดต่อไปโดยนักเรียนตำรวจเป็นจำนวนผันเดี๋ยวนี้อยู่ที่ศูนย์เมืุดรธา น, นีบันจะได้เอาไปให้นักเรียนตำรวจได้ดูกันนะเป็นปการดังว่าเศรษฐกิจยามตกยากโ ต, กตกล้ามว้ามลำบากจะปฏิบัติตัวยังไงขอโปรดตั้งใจฟังต่อไปนะโอกาสบัด น, นี้ขอจเจริญพร จเจริญศพโดยทั่วกัรนักนะโอกาสแบบนี้ตั้งใจฝังนขอจเจริญพรท่านทั้งหลายอเลยเกิดมามีหูมีตามีปากมีฟันเด้วยกันทุกคนเหมือนกันไม่ได้เอามือลงไม่ต้องบานมมือเมื่อยนอนนอนฝั่งนอนฝั่งมือข็นอนฟังได้แต่ปัญหาอย่าหลับหลับแล้วมันไม่ได้เรื่องในราวนอนฟังได้ อาชีพนอนนอนฟังตีสีลังกาเอามอนมานอนฝังแต่ปัญหาของอาชีพร่งกามันไม่พูดไม่พูดเลยนะแต่คนไทยเราแหมเพียบเพียบสีโอ้แท่ดีเหลือกเกินฝาฝุ่นฝาทุนหัวแท่ดีมากปากมุมมิดมุมเม็ดคุยกันคุยกันแม้แท่ดีพอหลวงพ่อวันแท่ดีมากเอ้าวังก็มีด้วยประกาชนีเป็นนายโยมเสื่งใจเพิ่งเส่งวันเนี้ย ซึ่งานแทรเรื่องอะไรจะไม่ได้เลยจําไม่ได้เลยนี่ประเภทนี้มีมากด้วยกันประเภทนี้เยอะศีรษะนอนฟังพอจบแล้วเล่าได้หมดเล่าได้หมดเวลาแทรกนี่เขาจะไม่ผูกของเราหน้าพาเพียรเงียบฉีเลยนะฟังแหมอ่อนค้อยเลยมันลงมืออย่างดีเลยนี่นปากยื่นไปทางนี้บักปากยื่นไปทางนี้บักแล้วเข้าชาด หลับมุดมางูมานีา่จะรู้เรื่องไระตรงนี้จุดลุ่มจุดแหวงจุดจะแทนตัน้งพูดอย่างนี้ไม่ีใครรู้เยียงช้ายเอียงขวาก็ไม่รู้กลงไปกลงมาก็ไม่เข้าใจขอฝากท่านทั้งหลายผุ้มีปัญญาวิจุตแลโอกาสมีปัญญาอะไรกันบ้างคนเราเนี่ยแตกแยกกันไปโดยกฎแห่งกรรมอยาการจะทํานี่ยก็ข อ, ขอเจริญพรพี่น้องเราชาวสูงเวลุวันทุกท่าน ณคอนแก่นและภาคอีสานตั้งแต่นคร พ, พนมขึ้นมาสะกนนครน้องคายและแม่น้ำโขงและประเทศลาวโปรดฟังณบันนี้ทีวีจะออกอากาศขึ้นมาในวที่สถานีแวดที่อัดล้ว่อออกที่คอนแก่นขอพี่น้องเราชาวภาคอีสานทุกท่านทีาตมาพระราสุดยันยิ่งน ต้องเอาของดีไปคืนที่ศูนย์เวรวันเหมือนสมัยตะมาบวชได้สี่พรรษาผ่านสามพรรษาเนี่ยพรรษาที่หนึ่งก็จะสึกกับหลวงพ่อเดิมวันน้องโพน้องโพแล้วขอคาถาเมตตาสักบทเท่านั้นเองขอลาชิกขาบทไม่จะตัง้งจมาบวชแต่ขอเจริญพรในในยพลบอกนี่ไม่ต้องการบวชเปลี่ยนพระตรงมาเป็นพระ อย่าเกลียดนะเลิกขี้มเมาเจ้าโชคั่ ว, วไม่ชอบหรือแต่แล้วต่อไปเป็นเมียของไอ้ขี้มเมายิ่งเกลียดยิ่งเขาาา้าใจแกบยิงรักธ์ยิงหอกแทงปลายแพ่เมตตาให้เกลียดออกไปแล้วก็มาแทนที่สร้างความดีกันต่อไปไม่อยากรื้อใช้ได้ไหมตรงนี้เป็นจุดลุ้นจุดแหวงจุดแขวนตั้งโลกมันเอียงซ้าเยเอียงขวาต้องเดินหนีพระองศาเก้สาสิบองศา ให้มันกองไปกองมาหนึ่ด้ไหมแต่บางคนไม่สไม่จะสนใจในเรื่องนี้จะกับการใดแต่มาเหตุที่จะต้องไปสร้างศูนย์เวรวันหมดไปแล้ว18ล้าน3ปีหมด18ล้านไปดูได้ดอกเตอร์ลำยายกับอาจารย์ทาวรแต่ทาวายที่เมื่อ2 5 3 6เป็นจำนวน20ล้าน ว่าสายสุนีบาทฟาคือมาสามผลเปลี่ยงเปรี่ยงเปรียปร่ยนธนานวันไวหวาฝาก้าสุราลายัยแดงแฉะฉาดสายลุงกินน้าไปสู่น้องคายพญานาคขึ้นมาสองท่านเป็นแปลงเป็นมนุษย์มีคนเห็นเป็นจํานวนมากร่างข้างสูงเวรุวันเป็นปล่องพญานาคอาตมาบันทึกหลักฐานไว้จนถึงวันนี้ว่าสามเปรี่ยงคือสามปีครับเจ้าทึงสมเด็จ 3ามท39เจ็ดสามี่ปดสเก้าจบเสร็จสลาเสร็จสาก้าบัตรนี้สี่สิบไปดูไนดะ้าสลาหมดไปเก้าล้ะห้องหน้ามุงช่วมหนึ่งห้อยห้องแนละ้วรายงาน ม, มาจากศูนย์เดลวันค้นจับกำลังทำห้องพัสดุประชาชนโคลนผ้าสารเข้าแน่นขนะทั้งตำรวจนักเรียนตำรวจเต็มหมดคนผ้าสารมีน้ำใจมาก ขอพูดถึงตอนนี้ผมภูดิสมเด็จท่านได้เปล่งวาจาไว้ว่าทินไทยงามคือภาคเหนือทินไทยดีคือภาคอีสานอดทนกินข้าเหนียวทินไทยอุดมสมบูรณ์าภาคใา้มีเหมืองแร่มีสวนยางทินจอมโจนจอมไทยคือภาคกลางภาคกลางหัวแข็งที่สุดอาตมาด้วย เดีจ ะ, จะหาว่าว่าคุณอื่นเขานี่ด้วยนี่ภาคกามภาคกามแต่ที่จะมีอาียรอบเ อ, อือเฟื้อแผ่นจะยากระมาแย่งกันมากคือภาคกลางพายานอ่อนน้อมทำตนผู้จา ก, ก็เพราะทำอะไรก็เหมาะเจาะเมื่อมีงานเนี่ยแม่ข้าแม่ขายมาออกล้านให้สี่สิบันสิบล้าโปรงรางก็มาช่วยเด็กที่น้อย โอกาสเงินทองแ ต, ตมาช่วยเดียวเดียวช่วยหกมืนเอาไปเรียนหนังสือนี่โปรกาะครูบาจาช่วยเหลือกหลอดรายการนีขอฝากพี่น้องชาวพนกขนและพายสามด้วยมันมีความหมายอย่างนี้ที่เราดีใาด้วยความสุดชุตตนตะการรู้ต่อสถานที่ที่เราได้ของดีมาคู่ตอนนี้ออกไตเติ้ลให้ท่านฟังพี่น้องชาวพนกขน ศูนย์บริวังโปรดได้รับชั่งสร้างให้มีความงามสี่ที่ความดีสี่แบบกระตันยูให้สือยางท่านจะได้ผลอย่างสมค่าปัจนานี่คือกรรมฐานงามสี่ที่งามตรงไหนคะทีแล้วจะต้องเอาที่เวลาโอกาสเอาไปใช้ขอขอจเจริญพรย้อนหลังอีกสักนิด พรรษาแรกต้องการจะไปราชิกขาบวกับงพ่อเดิมวัดนองโคพระภูมิยาวาดนำมาขานนิพพานธรรมคุตินิพัาศรีระคุณวัดนงโคลทานมีอายุเก้าสิบกว่าเลี้ยจูงวันจัดขึ้พอร้อยไปอยู่กับท่านหกเดือนท่านมรณะภาพกลับองค์นี้ไปอยู่กับลงพ่อเดิมมาไปอยู่กับลงพ่อจงวัดตาต่างก่อนไปศึกษานมันมนหนึ่งเดือนวัดต่างนอก นครที่อยุธยาราชธานีเป็นต้นพระนุชัยก็จะไปลาศิกขากลับลงพ่อเดิมบนหลงปู่แต่แล้วก็ไม่สมหวังท่านรู้กายกลายมากท่านบอกว่าอยาศึกคาถามมาดิยมคถาผู้หญิงก็ไม่หักแต่ถ้ามาได้คถาผู้หญิงมาบทหนึ่งผู้หญิงละจะโคนอาไปเลยไม่จาเป็นว่าผู้หญิงสาวสาวแท้แกไม่ไม่รักหม ท่นบอกเอาไปท่อหนึ่งอย่าเป็นสองหนึ่งอย่าเป็นสองสามมาจะมาก็สื้อฝึกหนึ่งอย่าเป็นสองหนึ่งอย่าเป็นสองหนึ่งอย่าเป็นสองผู้หญิงเ ข, ขเขาก็พูดว่าเขาก็ซิบกันเอ๊ะท้าวงนี้มาหวานยังดีอยู่นะแต่วันนี้เป็นอะไรไปได้เอ๊ะก็าถามไม่ขลังใช่ไหมจะไปถามหลวงตาอุ้ยถามหลวงตาหลวงพ่อเดิมที่หายมาว่ามีคนรักมากก็หนึ่งอย่าเป็นสองประคองวาชีน้ำใจ ผมก็หนึ่งย่าเป็นสองมึงไม่เป็นสองหนึ่งไม่เป็นสอ ง, ง, สองผู้หญิงก็ปากมุงมิดว่าพระองค์นี้เมื่อวานยังดีวันนี้เป็นอะไรไปต่อุยบอกเอาท่านดีกว่าของท่านดีมากที่อมที่พึ่งที่ปะาสาหน้าจะต่อเชนสาวไม่ม า, รมาเราก็ไปหามันเองเพีย้ยนเอามันนี้ขังดีมีเหตุผลที่น่าฟังหลยประการแต่เราก็ไล่ความหมาย กอตมาก็จะรู้ได้อ๋อชัดจางเวอมาตาวาจาพูดจริงทําจริงเป็ น, สนเสน่ห์มัอนอยู่พูดจริงทําจริงมีคนรักมีคนชอบลหลงหลออแหละเล้วไห ล, ห ล, หลไม่มีคนชอบพูดขึ้นห้วยลงเขาเสน่ห์จางายกินมาโดยไม่รู้ตัวสนิม์นาจาจะกินท่านโดยพูดูขึ้นห้วยลงเขาหนึ่งต้องไม่มีสอพูดแล้วต้องทําตรงนี้เป็น เป็นสิ่งที่คนรักเห็นจะไม่ผิดพลาดแต่เราก็ผิดหวังมาโดยที่ว่าเราไม่ทราบความจริงอันนี้เพราะไม่เข้าใจก็อาตมาไม่ว่ายยอมเนาะเพราะไม่เข้าใจมันย่อมเป็นอย่างนั้ น, ยนอย่างหนอออกมาอย่างนี้ชัดเจนมากหนเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วดังกล่าวอาตมาก็ท่านบอกว่าเอาอยางนี้นะเราไม่เคยให้ใครเรียนวิชาโคตรสารวิชาโคจรสารเอาไปเลยนะ บอกว่าสมัยปู่ย่าตาชวดตระกูลนี้เนี่ยได้เรียนวิชานี้ไว้ต่อสื้อกันมาต่อช้างตาถวายองค์พระราชาแห่งกูมิศีอยุทย า, ะะทานราชธานีต่อแต่เริ่มพระเจ้าสมเด็จพระนเรศวรมาลัากตามตับปู่ย่าตาชวดของตระกูลของท่านเลย ม, มาถึงหลวงพ่อเดิมท่านก็เรียนต่อท่านก็ไปต่อช้างปางเราก็กราบเรียนชวารองพ่อครับช้างไม่มีแล้วไม่อยากเรียนท่านพูดทันที นี่ผู้ใหญ่ให้อาไว้ก่อนอย่ายิงจ่องห้องมาแล้งปองผู้ใหญ่รู้เหตุการณ์ว่าเจ้าจะต้องประสบปายการกับฉันไม่มีใครเรียนนะมีเจ้าคนเดียวที่จะต้องเรียนได้ขอฝากตอนนี้ฝากพระยาจงไปสอนลูกหลานผู้ใหญ่แม่ให้อะไไว้ก่อนถึงแค่ช่วยลูกเดียวแม่ให้ก็ตองอว้แม่รู้เหตุการณ์เผื่อจะมีประโยชน์ในวันหน้าโลกเก็บไว้นะลูกนะนี่พ่อให้นะลูกนะเก็บมาไหวแต่ดูตามว่าก็ยางดีกว่าเอาไปทิ้งเชะ จะได้เห็นถ้วยจะนึกถึงพ่อเราได้เห็นท้วยจะนึกถึงแม่ได้ไม่ดีกว่าหรือประการใดเดี๋วเดียกรุ่นมใหม่เนี่มันอัปรียดจังเลพ่อแม่ให้เคลียร์ที่หมดแย่มากไม่สืบเนี่ยงสัญานแต่ประการใดมันจึงได้เศรษฐกิจตกอย่างนี้มันจะสืบเนี่ยงสัญานพ่อแม่ขายนาขา ย, นาขายนาหน้าลายแปลงไปเรียนเป็นลกเกแต่ไม่เคยไปดูแม่เลย ไม่เคยกลับพระนครไม่เคยกลับคืนวังแต่ประการใดกลับเวียนวังแต่ประการใดพ่อแม่ก็ต้องขายนาหมดบ้านก็ต้องขายแล้วก็ไม่มีใครอยู่ก็ต้องขายไปบ้านแตกเสแหลกขาดแบงค์คันคุณระบาทสองบาทไม่มีเหลือนี่เศรจะติตกเป็นอย่างนี้จริงๆไม่เคยจะช่วยพ่อแม่เลยลูกถ้าหากลูกกลับมาช่วยพ่อแม่จะทำนาไหม ทำสวนไหมสวนมั่งม่วงทำสวนผู้เรียนไหมกลับมาฟื้นฟูขึ้นมารับรองไปรอดแน่นอนพี่น้องชาวไทยงหลาโปรพิจารณาเรื่องนี้เป็นหลักสำคัญนี่ายกันหมดเลยข้าวกรีเแทพไปอัดแท้กันหมดเลยเก้าเห็นมนี่บางอาจารย์นี่พ่อแม่ขายนาแหลกรานส่งลูกเรียนประนท้าจบปริญญาโทจุฬานาหมดไปห้าแปลงซื้อรบอมอีกนี่บางอาจารย์ ชัดเจนมากอาตมาไปเยี่ยมมานอนเป็นอำมาตย์ไทยอุจล่าเหม็นลูกสาวขับรถบีเอมมามีมาห้าสาวสีสาวเกิดมาบอกนูเป็นไทยนู้เป็นลกูกทำนี้แล้วซักห้าแม่หน่อยแม่อุจล่าเต็มนู้ซักไม่ได้จะรีบไปเผาศพอยุธยาศพนั้นเป็นอะไรก็เธอเป็นญาติของเพื่อนมาล่มประเทศไทยเป็โลกลรเราตาทึ่ดซะเลย แม่เขาตัวแท้แท้าทายไม่ได้นี่เป็นตัวอย่างในพลจำไวนี่มันที่เจ๊งแม่ก็ร้องห้าแล้วก็ถามแม่ดูบักหนูนี่แม่หนูมาทำไมมาขอเงินแม่สี่0มื่นจะไปพิมพ์หนังสือเขียนยานีพลไว้ยังไม่จบแล้วกจจะขอผ่อนโซ่ท่นส่งรถอีกบีเอ็มอีกกึ่งคันว่าอย่างนี้ แม่ร้องไห้โหเอลยหลวงพ่อต้องขายงานอีกแปลงนะอีกคนนี้แค่ซักผ้าให้แม่ไม่ได้หนูวันนี้หลวงพ่อขอพูดเธอสองนาทีนี่ถ้าเป็นแม่เราเนี่ยหลวงพ่อเป็นพระต้องซักได้เช็ดก้นเช็ดตูดให้แม่ได้ไม่ไปอบัตดทุกจําไว้ผู้เจ้ายกย่องแม่ผู้ธรรมดาแต่ทําไมอ่ะเนี่ยหนูเราไม่ใช่แม่แล้วนะเนี่ยทําแม่แล้วเราจะจะ ทำอยู่นี่เลยเองไม่ต้องได้ทันหลงพ่อทำเองถ้าเป็นแม่หลวงพ่อนี่นี่เองเป็นลูกแท้แท้ทำให้ไม่ได้แลยไม่ได้จะรีบไปว่าแล้วเท่าน้ำไม่ทานชามันก็ไปไม่กราบเราลงบันไดปึ้งปึ้งปึ้งปึ้ ง, ป, งประตูด่าเราอีกนี่บางอาจารย์เอาละข้าขพเจ้าจะโจททั้งจาทั้งจดในลูกลูกแค่นี้น แม่ก็ร้องไห้บอกร้องพ่อครัะหนูจะต้องขายนายแปลงแล้วก็พ่อบ้านไปหนะโยมไปดำนา ย, ยังไม่กลับดำนา ย, ยังไม่กลับเม็นอุจะละแม่เราก็ไม่รู้จะทำไงถ้าเป็นแม่เราหน่อยไม่ไปรบัดนี่เป็นคนอื่นแต่เราไปชักขึ้นเราไปโลกบับวชชะในคนจะไหมทาให้ไม่ใหญ่หรอกถ้าเป็นแม่ให้กําเนิดเกิดมาสามารถเช็กกลอนไปทานโทษเช็กกนเช็กอะไให้ใหญ เ ช, ช็ดยาชุบยาสี่ใจเลือเกินท่านทั้งหลายโบราณท่านยังว่าไว้ทําอะไรปิดทองพระในบ้านนี่ารในบ้านพ่อแม่ของเราเอ๋ยเราออกมาแม่ก็เอาข้าวยาใส่าปากเอานมใส่ตากก็เอาปิดทองให้ในปากย้ยพ่อแม่อดอยากปากแห่อันนี้สองปิดชิดก้อนอันนี้สามปิดชิดหลังแห่ ผู้อย่างนี้มีใครรู้พอเลยแม่เลยลูกถ่ายมูดอจอมาเช็ดก้นเช็ดตูดเชด็ดแรงแห่แหให้ใหลุดได้แล้วก็กินข้ากระทั่งอุจจาระติดมือก็ยังไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่กำหนิแต่ทําไมลูกอ่ะเช็ดก้นเชด็ดแรงแห่ให้แม่ไม่ได้ในเรื่องจริงขอให้ท่านทั้งหลายปิดทองพระในบ้านวนละสามแปดอย่างถ้าท่านมีพระอยู่ในบ้านพระพอ่อพระแม่พระอริยสงฆ์ขององค์ละกูธร นี่ละพุทธมารดาของพระเจา้าพุทธเจา้าจึงเนีโปรดพุทธมารดาตลอดใจมาสามเดือนดังที่กล่าวเลยนี่ชัดเจนนะอาตมาสแสดงความเสียใจยดูมาในไม่ชา้ายอมที่เป็นอำมาตย์ที่เราตายอาตมาไปเผาศพลูกสาวมาไม่เอาไหนเลยไม่ได้ช่วยงานที่บ้านเลยบ้านนั้นก็ไม่มีใครอยู่พ่อคือสามีเขาเขาต้องย้ายไป ไปอยู่บ้านสามชุกสุพรรณบุรีไปมีภรรยามาแล้วก็เรือนนั้นก็ยกให้วัดไปที่นั่นก็ขาดนี่แหละไม่เดียวกลับไปภูมิหนาวนี่มันเป็นอย่างนี้มาถึงเศรษฐกิจตกเพราะเห็นขอฝากไปเลยนะไม่เคยไปช่วยพ่อแม่น้ํามีต้องสองร้ยกับละ่หมดเลยผลาญหมดนี่ไม่ เ, เห็นแล้วทําไมาประเทศชาติจะไปรอดนะไปไม่รอดขอฝากท่านทั้งหลายไว้ในโอกาสนี้ด้วยไม่มีโอกาสที่ดีแล้ว ช่วยสนองประเดชคุณบิดามารดากลับมาเลี้ยงคืนบ้านคืนเวียงคืนวันไม่มีเลยน่าจะกลับมาช่วยพ่อแม่ทํานากลับมาช่วยพ่อแม่ทำลุงสีกลับมาช่วยพ่อแม่ทำลงุลำลงน้ำแข็งไม่มีเลยพ่อแม่ต้องขายยาแตกลานพราะดังได้กล่าวมาอันนี้ชัดเจนเขาฝากเขด้วยบางทีไปต่างประเทศเนะี่ยกลับเนี่ยบอกหลวงพ่อข้ามันเอาเงินนี่นสี่หมื่นนี้รถบีเอยังส่งไม่หมดเลยแม่ก็ไปนำมาภ่าดูเถอนะ ที่น้องชาวไทยไม่ได้ช่วยไทยแม่ของตัวเองก็หาได้ช่วยไม่เนี่ยทั้งร้างแหทั้งอ่อนแม่ทําให้ลูกได้ทุกอย่างแต่ลูกไม่เคยทําให้แม่เลยนะขอฝากไว้ละแก้วนะเราพ่อแม่ที่รักลูกด้วยความไม่สุดใจแท้แท้ถ้าใครเป็นแม่เขาจะรู้รักลูกด้วยความไม่สุดไม่มีใครที่จะรักเราเท่าพ่อแม่รักเราแล้วทำไมเราไปหลักพาไปรักแฟนขอฝากไปน้องชาวไทยไว้ด้วยนะ ไปได้เมียเมียเป็นแม่ตัวันไปก็ ไ, ปได้ผัวผัวเป็นพ่อตัวไปพ่อแม่กำเนิดเกิดมาเลยเป็นพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงมคมอย่าเอาบุญคุณอย่าเอาบุอย่าเอาผลตอบแทนกับลูกเลี้ยงเอาบุญคุณไปเอาบุญไปเถะไอ้เขามีปลอดภัยในชีวิตของเขาก็แล้วกันถามาพูดถึงลูกที่แบบพึ่งมาด่าจะเสียใจมากเขาไปได้ดูแต่เนียเขาก็ไปช่วยกันเราก็เท่าเฉลแตบบ่ชลา ที่น้องไทยไม่ได้เคยช่วยจะช่วยพ่อแม่ก็มาหนีทางนะขอฝากเหมือนชาติชาติว่าจริงเราพุทธเจ้าสอนชัดเจนมากชงช่วยตัวเองอย่างนี้นีแล้วท่านทั้งหลายอาตมาก็เรียนยวิชาคุณชาติศาสได้เราเรียนกับหลวงพ่อจงมาจาัฒจางพระนครศรีอยุธงาน้มานำมันมลธรรมทุกวันนี้มีหลาย เลี้ยงกระดูกจากหลวพอ่อจังหวัดกาญบุรีที่กระดูกหักใช้น้ําร้อนลวกละม้ว น, น, นเทเลยนะเลิกแล้วเลิกแล้วฉันเลิกกันแล้วฉันเลิกกับเขาแล้วค่ะฉันไม่ทําอีกต่อไปแล้วค่ะฉันเขตจะเจระน้าร้อนลวกเลยเตะเลยนะมาก่อนนี้มีคนรู้เดี๋ยวนี้เลิกแล้วน้ำมันม้วนก็จะเลิกแล้วกินแก้โรคมะเร็งได้ก็จะเลิกไม่เอาเนี่ย แล้วก็ร้องเพลงในใจฉันเลิกแล้วจันฉันเขสจ้ะกันสิขอใช้จริงเป็นประการใดเดิมว่าเชิงก็ต้องให้คาถากุญแจศาลเรียนแล้วก็ไปพบหลวงพ่อขนแกนที่ศูนย์เวรุวันน้ำเปล่าแล้วมีน้ําพองเลยไปยังเขื่อนอุบลรัตน์โดยยื่มนมานีิเคือนเดินดไปทางมาเจอหลวงพ่อในป่าเลยแท่งก็ให้ยืนหนอห้าค้างมาตามวัชพ น, นยืนหนอห้าค้างไดาที่ขนแกน ดาอยู่ข้นแกนเลยนะแล้วก็กำหนดตรงนี้เราจึงรู้ได้คอหักไปยังไงนดาจากเราข้อนในป่าเนี่ยเราจะลืมพระคุณของท่านไม่ได้ลืมไม่ได้เลยจึงสร้าสูญขึ้นมาทีแปดล้านออกไปแล้วนะไม่เคยออกมีกาไม่แต่ใบยเดียวสูญโคชนะที่ข้นแกนออกทีวีบันเดียวท่นมาแห่กันเลยโลงแรงไม่มีที่พักรถติดเป็นแถวเลยนี่สูนีน่ยเวรุวันขนแกนเขาบอกว่านี่แหละ ท่านทั้งหลายเอ๋ยลู้ไม่ใช่ว่าชายบาแบกหามหลวงพ่อเดิมได้บอกเนี่ยเอาไว้เชอญนะลูกหลานมีเสือกสิบตัวกับตัวเดียวนะเดียวกันเสือตัวเดียวอะ่ะสู้สิบตัวไม่ได้ตัวไหนไม่ใช้เอาไว้ก่อนถ้าจําเป็นต้องใช้กันได้ไม่เสียายไม่เสียใจยที่ไหนแหตผลนี่นาฟังเราจึงเอาของดีคืนขอนแก่นไปดังกล่าแล้วดีใจมากข อ, ขอฝากพี่น้องเราชาวสูงเวลุวันไว้ด้วย มีด็ตอร์ลำยายเป็นต้นแตอ่อาจารย์ถาวรมหาวิทยาลัยคนแก่งนนประกาศอนุโมทนาถวายชี่อาชีพชงเงาะก็อยู่ที่นี่นนด้วยฟ้าผ่าปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนด้านขนาดหวั่นไหวแตดนพิจิหารของเสียสารที่ว่าลขงข้อในป่ามาช่วยเราแล้วเอาละข้าพเจ้าต้องเสร็จแน่ภายใสามปีปรือสามเปลี่ยนดีใจมากไม่เคยไดบอกคุณบุญใครนักแก้วนะ เราพ่อไม่เคยบอกหมดไปแล้วสิบดล้านมีที่ยี่สิบไร่กลายเป็น8ปดสิบละบัดนี้ส่วมร้อยห้องถึงเนี่ยลั ว, ลวด่านตาดเสร็จไปแล้ว100ร้อยก็ห้องไปดูนะตอนนี้จะทำห้องเรียบร้อยคนขอนแกงมีน้ำใจมากมีายาชยาสายอบวอ่ามานีเยิ้มตลอดในการแต่บ้านเราเนี่ยมันเยิมแต่ข้างในไม่ยิมขม้างนอก แต่ก็ไม่แน่นอนว่าจะขยิมขยิ้มในเสมอไปอาจจะใจตามมามาเหตุเที่ยมโหทารุนดุร้ายฆ่าสาตัวเพื่อให้จัตายโดยยิมนอกไมย่ยิมในมาตรงแข้งนอกต้องมาเกาะแข็งในด้วยถึงจะใช้ดต้องอดทนทั้งภายนอกและภา ย, นายในจิตใจก็จะเบิดบานมาตรงแข้งนอกมาเกาะแข้งในถึงจะถูกต้องเจพับบุ้งกลางหนองขอย้อนมาเรื่องกเก่าเ่พระบุ้งกลางหมองไปเก็บ พระบูงกลางนาสันตะวากลางหนอมากินเลยเถอะชีวิตนี้ไปรอดปลอดภัยไม่ต้องไปกินหมูเห็ดเป็ดไก่จะประการใดท่านจะบังหาเกินไปนึกถึงพ่อแม่บางทีโอนยาปลาแห้งทําไมมากินอย่างนี้กินต่องลงเนะกินกุ้งเผาวตะชูนะนี่วันนี้ไปสามสี่ลายกุ้งเผาตะชูแล้วมังคีบบอกหมดไปห้าพันวันแท้เขาก็ขายไม่ได้นึกว่าไม่ขายแล้วนึกว่าจะมาถวายแล้วสักจานเปล่า นึกแลอยากได้แล้วลาไม่อยากได้ถ้าถวายก็รักนี่เหตุผลที่นาฟังนิงมมบพเจนเนี้ขอเฉลยตอนว่าเราได้มีโอกาสของดีไปแจกจ่ายทุกคนแก่นแล้วว่าความงามสีที่ความดีสีแบบตันยูสี่อย่างชัดเจนแล้วลาไม่เคยลืมตันยูต่อสถานที่ที่ไปได้ของดีมาความงามสีที่ ขอให้พี่น้องทั้งหลายนั่งเจริญกับปร า, านให้น้ําด้วยเครื่องแต่งตัวเครื่องแต่งตัวในน้ำอย่าแต่งตัวไปเยเพิ่งเยี่ยมแต่งตัวไปเยเพิ่งเยี่มมลุ่มรามกันเนี่ยแต่งตัวลุ่มรามอย่างนี้ใช้ได้ แ, แต่ไม่หมายความว่าคนที่น่งคนที่นั่งแต่งตัวสวยรู้ให้ไม่ลุมลม่มราบแต่งตัวให้มันเข้ากับรับานที่หน่อยยิ่งไหมนีม่วัด งามด้วยเครื่องแต่งตัวงามด้วยอวัยวะรูปร่างหน้าตาสวยน่ารักทุกคนอาตมาเห็นก็นึกรับแต่ลักแบบไหนยังไม่รู้นะยังตอบไม่ได้งามด้วยอวัยวะงามด้วยมารยาทยืนเดินนั่หมอเหลียวซ้ายลียวขวามีมารยาทครับคุณมีี งามด้วยมารยาทสีงามด้วยน้ำาจจะเห็นด้วยหรือไม่ความดีให้มันได้สีแบบนี่าราชการมาฐานดี4แบบดีตรงไห น, นดีด้วยชาติตกลุ่มของตนสองดีด้วยทรัพย์สมบัติสามดีด้วยวิความรู้ความสำเร็ ใช่ดที่มีสินธรรมดีนี่แน่ประธาเจริญกรรมฐานที่จะพบของจริงอย่างนี้ในมาเป็นเช่นนี้แล้วขอเจริญพรต่อไปอันชัดเจนนะการตันยุขย่นหนึ่งการตันยุต่อบุคคลการตันยุต่อบุคคลเนี่ยรู้คุณของพ่อแม่ไหมรู้คุณของครูบาอาจารย์ไหมรู้คุณของเจ้านายไหม โลคุณของผู้มีอุปการะคุณไม่มีเลยนะในชาตินะี้การดูต่อบุคคลสองการูต่อสถานที่นี่ได้ัน่เราแต่กตารดูต่อสถานที่อะไรของดีไหมโลกคุณของที่อยู่อาศัยโลกคุณของ <c oughs> วิชาความรู้แรงให้เกิดวิชา รู้คุณค่าของอาชีพการงานที่ทำอยู่อันนี้เรื่องสำคัญรู้คุณค่าของเหล่านั้นไหมสถานที่คือที่ประกอบอาชีพการงานของตนและแรงให้เกิดวิชาแรงให้เกิดความดีสภาพชีวิตของตนนั้นมีบ้างไหมไปการ์ด กตันยูต่อสถานที่สามกตันยูต่อความดีต้องรู้คุณค่าของความดีที่ทําให้เป็นคนดีที่ให้เกิดสันติสุขเกิดความจเจริญวัฒนาสถาพกศิรู้คุณค่ากตันยูต่ออวัยุวะกะตันยูต่อตัวเอง ทำกระตันยูต่อตัวเองนะรูประคุณของอวัยวะร่างกายราักษาสุขภาพอนามายไม่ให้ตกไปเป็นธาตของกิเลสไม่ให้ตกไปถึงอบายมุก ต, ต่อไปจงรากษาไว้ในจุดข้น ต, ตอนคือรูปบุญคุณของตัวเองนะนี่กระตันยูสิเราจึงได้มีโอกาสไปใช้นีนขอนแจกหมดไปที่แปดละเดี๋ดวเคยขอคันเลย มีจากคนมาร่วมบุญรถติดกันมากมายขอเจริญพรให้พี่น้องได้ทราบตามที่กล่าวแล้วแต่แน่นขอขอจะอ่านโครงการกองกำกับการโร ง, งเรียนตํารวจภูทรสิงถนนมีสภาพตาบลในเมืองอำเภอเมืองตัวกุ้งแกะพี่น้องได้รับทราบครั้งหนึ่งแต่มาซึ่งใจมากที่ตํารวจเป็นจำนวนพัน นำโครงการนี้เป็นหลักสูตรของนักเรียนตํำรวจเป็นจํานวนพันโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตจํานวนหนึ่งทุนนี้ด้วยกองกำกับการโรงเรียนตํารวจปูทอนสี่ขนแกะได้จัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนพลตารวจรุ่นที่ยี่สิบเจ็ดคือในระหว่างวันที่แปธันวาคมนี่รุ่นที่ยีิบเจ็ดนะนะระหว่างวันที่แปดธันวาคมสองพันร้อยสี่สิบ ถึงวันที่16มกราคม2541รวม6รุ่นรุ่ น, น, น, น 1, 100, 100ละ1งลองร้อยคลองร้อยละ5ร้อย5วันณศูนย์ปฏิบัติธรรมศูนย์เวลุวันบ้านเนินทองตำบลบ้านค้ออำเภอเมือจงจังหวัดขอนแก่นเพื่อฝึกอบรมพัฒนาจิตใจให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวิชาจริยธรรมและจริธรรม โดยเน้นการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานตามแนวทางของพระราชจุธิยามุคลและวิชาอุดมการ์พัฒนาคุณภาพชีวิตวิชามนุษย์สัมพันธ์อันจะเป็นการส่งเสริมประสบการณ์หรือทักษะในการเดําเนินชีวิตการปฏิบัติราชการของข้ารการตำรวจถึงจะได้รับการบรรจุใหม่ต่อไปถืออันนี้เป็นหลักสูตรถ้าสอบตกไม่สนใจคัดออกไม่บรรจุแน่นอนตาม กอง ก, กับการตำรวจโรงเรียนตำรวจปูทรศรีจึงขอรัตนาพระเดชตระกูลหลวงพ่อทามีโอกาสให้อุบาทวันนี้ถือโอกาสให้อุบาทวส่งทางทีวีไปในเปิดกระที่ขอยแกนต่อไปด้วยในวันนี้โดยพันตำรวจเอกวิรัต์จันลักษ์ผู้กํากับการโรงเรียนตำรวจปูทรศรีได้ปฏิบัติการปฏิบัติธรรมที่ศูนย์เวรุวันแนละเป็นจำนวนพันกว่า และบรรจุไปรุ่นนี้อันนี้เป็นรุ่นที27จา ต, ต้องดำเมิน ง, งานต่อไปผู้บังคับการผู้ ก, กากับการโรงเรียนตำรวจภูทรสิงห์เห็นดีตำรวจที่รับการอบรมไปแล้วเรียบร้อยหมดเคารพผู้ใหญ่มีระเบียบวินยัยประเพณีวัฒนธรรมเกิดขึ้นในชุดของตำรวจรุ่นใหม่ณนะศูนย์เวรุวนันดังที่กล่าวแล้วตามาดีใจมาก ขอเจริญพรคณะตำรวจดัชการที่ผู้กำกับการตำรวจโรงเรียนตำรวจนี้ขอยินดีอนุโมทนาไปถึงผู้บัญชาการด้วยในเขตของท่านโปรดได้รายงานไปถึงอธิบดีกรมตำรวจคือพลตำรวจเอกประชาภมนอะดีดานได้ทราบศูนย์เวรวันพี่สาวท่านก็นมาช่วยอยู่ที่ศูนย์เมืองคนบ้านอยู่เมืองทนตง้งหวค้นแก่แล้ว ขอขอเจริญพรพี่น้องข้าราชการตำรวจทหารหารของชาติตารวจที่ประปอบปเรยเมตตามีความรู้ความดีต่อประชาชนให้ซึ้งใจของประชาชนต่อไปต่อไปในโอกาสนี้ขอได้ว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายไม่ใช่น้อยต่ตมาก็ขอฝากพี่น้องชาวขุนแก่นด้วยไตยเติ้นที่ขึ้นปปใหมให่เศรษฐกิจมาตกว่นนี้ขอขอเจริญพรต่อไปนะ โอกาสนี้ที่พี่น้องราชาวข้นแก่นและภายสารทุกแข่งโปรได้รับชาดาศูนเวลุวันที่ควรมากันมากมายในวันที่สาที่แปดธันวาคมมาพุทธศัก ร, ราชสองพันร้อยสี่สิบจะหมดไปแล้วแต่จะเวียนมาว่าจบครบในว่าพศสองพสี่บดในโอกาสไม่ไม่กี่ชั่วโ ม, มงนั้นไอ้เก่าวหมดไปไอ้ใหม่มาแทนที่ก็คืออันเดียวกันนั่นแหละ อยู่ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกว่าเก่าเท่าไรเลยเวลาเป็นสิ่งเดียวในโลกที่ทุกคนได้รับเสมอกันไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบเลยแม้แต่คนเดียแต่ถ้าใครจะใช้เวลาแต่และวินาทียังมีค่าและคุ้มค่ากว่ากันเป็นที่เรื่องที่น่าคิดในวันปีใหม่ขอฝากท่านไว้สวัสดีปีใหม่นี้วันพรี่บ ขอให้พี่น้องชาวชายทุกท่านทุกรูปทุกนามหาปรัชนาสารพัดในปัจจุบัเอาไม้จีแยกได้อย่างใจจงขอให้ทุกท่านจงเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพเรเอริดไปเถิดที่ถุกนี่ใจเจ้นออกบอกแครออกแคร์บอกให้ท่านฟังมีความหมายอย่างนี้มีความหมายแต่หากว่าการเจริญกุศลถือภาวนาก็ตามการที่ท่านทั้งหลายมาครั้งนี้นั้น ที่เขามาอยู่วมาจเจริญกรรมาฐานต้องการชีวิตให้เป็นแก่นสารของท่านเองโดยเฉพาะทําให้ท่านทั้งหลายทราบด้วยชีวิตของท่านเองว่าชีวิตต่างกันเพราะต่างเวรต่างกรรมันมาถ้าจะรู้เองจากการกรรมาฐานและเลือกชาติชีวิตได้สองถ้าจะรู้กฎแห่งกรรมของท่านว่าทําอะไรได้สามแก้ไขปัญหาชีวิตยิงาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าถ้าจะได้แก้ไขได้ แต่ท่านทําไม่รู้น่าช่นด้เวลาท่านที่มาวัดอัมพวัตไม่ได้อลไรกลับไปเลยเนะเยืนหนอห้าครั้งเลยได้ตมาได้จะข้นแขนจต่ไม่ลืมพระคุณที่ข้นแขนยืนหนอหครั้งเตสาโรมานะคะัคขทาจจ่จจจจานตาตาโตตาโจท่านนาขาลุมาเปะสาเบื้องต่ำปลายผมไปเบื้องวงมปลายเท้าขึ้นมากลับไปกลับมาเหมือนท่านขับรถไปเชียงใหม่กลับไปกลับมาหม้ า, า, รห า, าครั้งถ้าจะจำกรอกออกตามประตูได้ชัดไปคนเดียวท่านจะจำอะไรได้ เมือเราเนี่ยทา่านมาเจอกันครั้งเดียวจะจำไม่ได้มาอีกจาไม่ได้ตอนนี้นุ่งขาวมาวันหน้านุ่งสีแดงมาสีออกีมาจำไม่ได้ทำมาสักหาครั้งเคยตราสายการสัมภาษณ์ถึงกาลยกาจะจำได้หมดเห็นข้างหลังก็จำได้มาหัเดียวเห็นข้างหน้าทีเดียวแล้วมาอีกก็ไม่จำไม่ได้จำไม่ได้เหี้ยดูง่าย ถ้ามากันเช่งห้าครั้งแล้วได้พูดใหญ่จากันคุ้นเคยกันจะจำแม่นถึงหากว่ามามืามดค่ำไจะยินเสียงก็ยังจำได้ถ้าละเอียดกว่านี้ไม่ต้องได้ยินเสียงแค่เดินได้ยินเสียงเดินกุ๊กมายังจำได้คือขัเหมืนอนใหญ่ใหญ่อองอยญ่ละอองตาบอดอยู่ที่โรงครวงัวนี้ตาบอดอาตามาไปหากแก บ, บอกยออองปดีเถอะมีอะไรมาไปคุณเี่ย น้องพ่อเหรอจํจแม่ค้นตาบอดไม่จะสอดตารู้ค้นตาบอดตาหมูกดีพอแล้วย่องย่องไปไปพยายามเนี่ยจะอองเราก็หยุดหยุดแล้วค่อยๆเดินไปน้องพ่อเหรอรู้ยังไงจะอองฉันรู้หรอกหน้าตาแต่ขึ้นบันไดแล่ย ท่านเดินเงียบท่านเดินเนียทฉันไม่รู้หรอกแต่ฉันได้กลิ่นเออกลิ่นมาก่อนนี่เรื่องจริงคนตาบอดนี่เรื่องจริงแกนั่งกรรมฐานจะรู้นะโลกเสียงกลิ่นรถจาไว้โภพพะกลิ่นหนอเปิ่นหนอท่านเียพวกมานนั่งกรรมฐานมีกลิ่นหนอหมมีกลิ่นหนอไหมไม่มีเลยเขาเหม็นมาห น, น่อย ขอประทานทอดขอนยากล่าวคําอยาใครตอดมากตอดมาเหม็นจะตายน่าจะกําหนดว่ากลิ่นหนอหรื้อตอดมาเหม็นพว่าตดมากพว่าไม่เหม็นกลิ่นตอดลือ้อรือเหม็นกลิ่นตอดอ้วหอมมันจะมากไรแล้วมั้งเห็นกระตัวเนี่ยพวกนี้เห็นกระตัวถ้าเรากําหนดถ้าจนเคยจะไม่มีปัญหาเอี่ยบอกร้องพ่อแล้วบอกใช่โยมมาเยี่ยม จำได้ตอนแต่ล้องพ่อขึ้นหัวบันไดร้องพ่อเนี่ยเดินไม่มีแปลกฉันจําได้เพราะท่านมาหุนเดียวก็รู้นี่เห็นไหมเนี่ยแล้วเด็กปั๊มันจะไปเที่ยวกันอาตมาก็ซื้อเสื้อแดงฮะเสื้อแดงครึ่งตัวกางเกงแดงครึ่ตัวแล้วก็เราก็ข่าโบดให้เด็กมันก็ไปรักขนมยาอองกิน จะไปรักขนมก็ปีนขึ้นกางข้างไม่เดียดขึ้นมันได้ขึ้นไปก็ย่องยองเข้าไปในครูวก็แอบเขนมยายอองมาไงยายอองนะน้อยไปไอผูกนี้มึงกูรู้ร่ะนี่มึงไม่รักขนมใช่ไหมอนนัใส่เสื้อแดงทุกคนเลยนะโอโ้โหโดดกันใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยอองตาเห็นแล้วเว้ยเดือดจะมาก็รุงเจ้าถามถามว่ายายอองทำไมรู้ว่าเด็กเว้ละ กลินมันมาเสื้อแดงนี่มีกลิ่นรู้เลยว่านี่เสื้อแดงแบงค์เนี่ยแบงค์ห้าร้อยแบงค์ยี่สิบจะออนจับจับหลวงพ่อนี่ห้ารอแล้วเกด้วยเกด้วยนี่หลวงพ่อไปเปลี่ยนเะนีเก้นี่คนตาบอดนะคนสังเกตคือกรรมฐานพวกนางกรรมฐานสังเกตกั็นเปล่าไม่ชัางเกตไม่ใช่วิชากรรมฐาน ไม่ใช่วิชากรรมฐานแน่นอนจ้ามัยธนพลทำอะไรช้าๆผลช้าจะได้พระสงเล่มงามอย่าเดินจงกรมให้วหยเดินจงกรมให้ช้สุดยืนหนอห้าครั้งให้ช้าสุดให้จิตกับสติเป็นเพื่อนกันให้ด่าแผ่เมตตาให้ศัตรูเป็นมิตรกับเราให้ด่างมิตรสภาพแห่งความดีให้เป็นมิตรกับเราศัตรูจะไม่มีในตัวเราธนพลจาไวยว่าศัตรูนอกตัวไม่เป็นไร ไม่มีปัญหาเสียใจด้วยเสร้างศัตรูให้ตัวเองศัตรูในตัวเองนี่ทำลายตัวเองโดยไม่รู้ตัวนี่ตรงนี้สำคัญมากขอฝากไว้เป็นข้อคิดในวันนี้เหมือนกันชีวิตการมันต่างกันมากมายเพราะฉนั้นทำกรรมฐานชาปกชชากลินหนอกําหนดไว้จะเหม็นนี่ก็หอมก็ช่างอย่าไปปลารบกลิ่นแบบนี้ต่างสติไว้เท่านี้เองหายใจเข้าอ่อนหายใจชั้นอย่างโมโหเกง่งพ้องหนอยกหนอให้ยาวยาววะ ให้กำ ห, หนดได้จึงมีประโยชน์มากมายเือเกินขอฝากพี่น้องว่าเดินจงกรมอยา่าวายเดินดูเท้าบ้่ไหมยืนหนอห้าครั้งหลับตาอย่าลืมตาหลับตาดูมโนภาพวานี่สติดีไหมจิตอยู่กับสติบ้างไปที่บอกว่าเอยขวัญเอออยู่กับเนื้อกับตัวแบบนั้นเนี่ยบางทีจิตใจไม่ดีเลย จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็ออกลอยไปแบบนั้นจึงเรียกขวัญเอออยู่กับเนื้อกับตัวนะลูกนะหลานนะก็คือคิดหนอลู่หนอเรียกขวัญตัวเองไม่ต่อยคนอื่นมาเรียกขวัญลู่หนอรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ ว, ลวเท่านี้เองทําไมแม่กาหนดคนแม่กําหนดเนี่ยขาดสติในพวกนี้ใช่ไม่ได้เลยไม่ได้สติเลยเนี่ยโกรธก็ไม่กําหนดฝากโกรธไว้ในใจใช้ง่ายเลย ใช่ไม่ได้หรอกในพลขอฝากว่าเดินจงกรมไม่ใช่สุดอย่าไปพูดคุยปากไม่พูดจิตไม่คิดถึงจะเป็นสมาธิภาวนาไอ้ปากยังพูดกันอยู่ไอ้จิตยังคิดฟุ้งซ่านไม่เป็นสมาธิาตรงนี้อ่ะดูเป็นหลักมีความหมายมากนี่เนี่ยเราที่เนี่ของดีคืนคนแกน่นพี่น้องรานชอค้นแก่นโปรได้รับทราบอตมามาลงทุนให้ถังไม่สร้างเป็นวัดสร้างเป็นศูนย์ทุกคนเป็นเจ้าภาพทุกคนปเป็นเจ้าเจ้าติดเจ้าการ้็ามา โดยท่านพระอาจารย์ธีรวัตรเป็นผู้อํานวยการดูนะบหนึ่งผัดเปลี่ยนเวียนกันไปสมาม์ส่งพระไปถูกต้องร้องเจ้าหน้าผ้าถืขอขวัแกนกับร้องเจ้าหน้าจังหวัดและร้องเจ้จังหวัดบอกรองพ่อแน่เลยส่งพระมาถูกต้องหรือพระธีรวัตรเสียสละได้อย่างเราถ้าบาังองค์ไม่เอาไม่เสียสละเลยจะได้เหรอเราส่งไปถูกแล้วดูแล้วดูอีกดูอีกดูแล้วผี่เพลิโผลาอยู่ทุกว่นลาเาปตา จะส่งใครไปทั้งดูคนก่อนทนายพลจะส่งแม่ทัพไปลบอภาทั้งดูก่อนนะจะสู้พมภาได้หรือเปล่าเนจะส่งส่งเดชไปนะส่งเดชไปอ่ะศูนย์พังเลยนะส่งแป๊ะทําลายนเลยนะไปแจกข้างล่างของขางเงินลงกระเป๋าเลยฮะเสียดายเวลาเลยคุณส่งคนต้องให้รู้จักตัวคนนี่คือกรรมฐานรู้หน้ารู้หลังรู้จิตรู้ใจอ่านตัวออกบอกได้ใช้เป็นอาแต่ช่างคือมาดูแต่ชูขึ้นมาช่าง วัดแล้ววัดเล่าฟาตวะบ้างจะเป็นไรแล้วขอฝากวันชีวิตต่างกันเพราะทำนั่นเองเหมือนกันไม่ได้ขอฝากขึ้นทีใหม่ด้วยเศรษฐกิจตกในเมื่อเศรษฐกิจตกตรงนี้อย่าทําใจตกขอให้แกลับให้น้องเราอย่างไปทํางานธนาคารทงางอบริษัทเงินเลี้ยต้องหกหมื่นขอเลือนงต้องห้าหมื่ น, 50, น, 50, นส่งรถส่งบ้านขอโดนปลดออกขอให้ออกไปไม่มีเงินส่งรถ ไม่มีเงินส่งบ้างไปทางไหนขอให้พี่น้องเราประเภทนั้นกลับบ้านขายตาต้องโกกันขายกาแฟข้างทางลงทุนน้อยๆต่อรถสายคนละคันไปขายแลวมาช่วยพ่อแม่ทำสวนช่วยพ่อแม่ทำนาไม่ดีกว่าหรือดีกว่าจะไปชูคอขางานทำที่โรงงานญี่ปุ่นไม่ต้องไปพึ่งเขาพึ่งตัวเองได้ไหมนี่ยามเศรษฐกิจตกยังมาช่วยพ่อแม่ค้าขาย พ่อแม่ต่างร้างขายค้าขายอย่างดีลูกไม่เคยช่วยพ่อแม่ค้าขายออกไปหมดไปทําราชการหมดไปรับจ้างคนอื่นหมดแต่ร้านค้ากิจการเนี่ยส่งขายหยดีขายดีไม่มีลูกช่วยแม้แต่คนเดียวอย่ายกตัวอย่างสิงห์บุรีเป็นเวลานานตั้งห้าสองพ้าร้อยมาแล้วตาแพ้คนหนึ่งบอกหลุงพ่อฝากลูกสาวไปริญญาโทรลูกช า, ายก้องพยกับอาชิบีสมพรเทพสิทธาปมพานิช เอาได้เดี๋ยวไปดูลูกชายนี่เชียงบุรีไปดูได้ไยมาไว้ผมยาวสูบุหรี่บอกเนี่ยลูกชายไม่มีงานทามันไม่มีงานทางก็แม่ขับรถไปส่งของอำเภออินเนี่ยช่วยแม่ขับรถได้ไหมเอาล้งพอวะมันขับแม่เป็นวะรถปิ๊กอัพขับไม่ล่างมันขับได้จะบีเอ็มตอนมันอยู่ที่โรงโรงเรียนเชียงบุรีมันช่วยแม่มัาแต่ตอนนี้จบปริญญาโท ท, ที่อเมริกา มันช่วยแม่เป็นทำไม่ละในเห็นไหมพ่อแม่มีกิจการไอเตียก็แบบขึ้นลบลูกชายนั่งดูนี่พรญญาแบบเร็วขนาดเลยวจะมาไม่ฝากนี่อธิบดีสมพรรเทพสิทธาชอบกันไปอธิบดีจะไปเป็นรองประธกระทรวงจะเป็นเดี๋ยวนี้ประธานสภาสังคมอรองประธานสภาสังคมสุพราะ เป็นกรรมการของพุทธชาสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยสรงคร่ำครวประเทศนี่อาิบปีมปมปมปมสมพรเทศ่ิทธาเลยฝากไม่ไากเลยต่างโคนต่างไปต้นแบบนี้ไอ้ลูกคนนี้ยังไม่มีงานทำํำตี๋ก็ตายแม่ก็ตายแล้วร้านค้าต้องเส้งให้คนอื่นไปโลกไม่มารับทายะนี่เห็นไหมชัดเนี่ยเศรษฐกิจจึงตกเพราะอย่างนี้ขอฝากพี่น้องชาวไทยไว้ด้วย น่าจะช่วยเตี๋ยช่วยแม่ขาของไม่ต้องไปทํางานราชการถึงจะไปริญญาโทรที่อเมริกามาก็ช่วยแม่ส่งของสงบุรสีส่งนู่นส่งนี่ไปอพเวลินส่งไปบางอาจารย์แม่ขับรถคนเดียวเตี๋ยก็แบกแม่ก็ขับรถมีลูกจางคนเยอะจะมาไปเห็นมาหน้าสงสารลกูกชายนั่งดูโซบุรีไอ้บุรีที่มันมีลูๆมียาวๆเขาเรียกอะไรไม่รู้แล้วก็ลูกชายแน่เลย ไว้ผมไว้ผมแค่ประบาเลยแต่งตัวไปยิ่งโง่เลยเนี่ยเครื่องแต่ตัวไม่สวยไม่งานแถมอวัยวะไม่งามอีกไว้ผมยาวเราก็นึกว่าเป็นผู้หญิงนี่มันถูกหลักลักษณะไม่ไดนี่เหตุผลที่หนาฟังนะนี่เสียดายเสียใจด้วยสอนแบบนี้ไม่มีงานทําพ่อแม่แก่แล้วก็ต้องแซงให้คนอื่นไปนี่ตรงนี้ตอก ขอพี่น้องราชาวชายทุกท่านโปรดกลับมาช่วยพ่อแม่กำลังทําโรงสีอยู่แทำกินกระทกปรุงให้มันดีพ่อแม่มีโรงน้ําแข็งช่วยกันทำโรงน้ําแข็งขายน้ําแข็งให้มันดีน้ําแข็งหลอดด้วยน้ำแข็งลายโลบุรีด้วยสงสิงห์บุรีช่วยกันทําต่อไปนี่เหตุผลที่นาฟังเนีเนี่ยขอสรุปใจความให้ชัดช่วยพ่อแม่กลับมาปรุําเนาเดิมทุกคนกลับมาขายปลาต้มโขกขายไอ้พวกนี่มาอยู่วัดพรรก็ได้ มาทอดตาตุงโก้ขายตรงหน้าวัดเนี่ยเดี๋ยวจะรับซื้อเองรับซื้อจะหตลาดใช่เอาไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เลี้ยงคนละห้าคู่หคู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะซื้อขาอ้าหนมหนมตาลปะวันแม่สายจายจรงอชิงบุรีเลียเ้ยงเนมาเลยมาเลยมาเลยอาโคมมาแก้วมามาทอดตาตุงโก้ขายตรงนี้แล้วจะหาตลาดใช่ถ้าขายไม่ได้ไม่เป็นไรขายไม่ได้ให้ฟรี ให้ไปเฮะได้บุญเด่นท้าบลองไปรอดไปรอดแน่นอนนี่นะก็ขอฝากบทสุดท้ายไว้สักบทนึงชีเบกับเวงการต่างกันนานาจิตต่างปากมีหูมีมีหูมีตามีปากมีฟันพระสงฆ์จะให้พรทุกครั้งมีบทสรุปให้พรทุกครั้งที่มีการทําบุญเนื่องในโอกาสใดๆก็าตามโอกาสนั้นพระสงค์ทุกโลก จะตัง้งหวยชายพรมาอภิวาทนศีริธนิจางุศธาปจายโนจะตาโลธรรมาวัดชันติอายุวโนสุ ข, ขังพลังให้แก่ญาติโยมพุทธศาสนิกระชนเพื่อให้ได้รับความสุขประสบความสำเร็จให้ชีวิตล่งเรียงก้าวหน้าด้วยพรห้าประการลาี่เก่าเละครูทนี้ไม่รู้ทุกคนอยากได้รับพรหนึ่งอายุอายุให้ท่านอายุยืนยาวนาน 2. วันนะขอให้สีกายท่านผ่องสายตาชะจากลาคีนะมาแผ่วพานพรที่สามสุขะขอให้ท่านจงมีความสุขกายให้มีความสบายใจพรที่สี่พรา